ํำนานเปดใหญ่แสงเวรกรรมของวิญญาณบาปคนตรนีที่เหนียวสัมผัสสยองเรื่องมีอยู่ว่าวัดในหมู่บ้านของชมพู่เป็นวัดป่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีเรื่องลี้ลับมากมายแต่มีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่เป็นที่เรื่องลือกันจนปัจจุบันนั่นคือเรลใยายแสงในวัดนั้นจะมีต้นตาลอายุหลายสิบปีที่เก่าแก่มากมายอยู่หลายต้นแต่จะมีอยู่ต้นหนึ่งที่มีเครื่องเส้นไหว้เต็มไปหมดแม่เล่าให้ฟังว่าย่แสงแกเป็นคนที่ขี้เหนียวมากชนิดที่ว่าแค่ต้นหญ้าอยู่ในรั้วบ้านแกก็ห่วงในสมัยนั้นแกเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะเพราะบ้านแก เป็นบ้านหลังแรกในหมู่บ้านที่มีโทรทัศน์หรือสมัยนั้นเรียกว่าวิทยุภาพยายแสงแกหวงของของแกมากไม่เคยแบ่งปันให้ใครได้ดูด้วยเลยหวงของทุกอย่างน้ำก็ไม่ให้ใครกินแกอยู่ตัวคนเดียวเพราะผัวแกเพิ่งจะตายจากไปไม่นานแม่ของชมพู่บอกว่าขนาดผัวแกตายแกยังไม่นิมนต์พระเลยแกบอกว่าสิ้นเปลือง แกไม่ยอมทำบุญทำทานคิดว่าการทำบุญมันไม่จําเป็นแกด่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนแก่พระเด็กหมาด่าหมดทุกอย่างมีอยู่วันหนึ่งแกอยากกินขนมตาลแกก็ไปหาลูกตาลมาทำขนมแต่ไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่แกมุ่งหน้าไปที่วัดตอนนั้นต้นตาลยังไม่สูงมากแกก็เอาไม้สอยไม่สนใจเลยว่า จะมีพระยืนกวาดลานอยู่หรือเปล่าพอได้สมใจอยากแล้วยายแสงแกก็กลับบ้านหน้าตาเฉยซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ชาวบ้านมาปฏิบัติธรรมที่วัดกันชาวบ้านก็เห็นกันหมดทั้งทั้งที่ทุกคนรู้ว่าแกทำขนมตาลแต่ไม่เคยมีใครได้กินเลยเคยมีคนบอกให้แกเอาไปถวายวัดบ้างเพราะลูกตาลเอามาจากวัด แต่ยายแสงแกก็ด่ากลาดเลยหลบกันแทบไม่ทันอยู่มาไม่นานยายแสงก็เกิดลมป่วยซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าแกป่วยเพราะอะไรยายบุญซึ่งเป็นป้าของยายชมพู่จะเข้าไปดูใจก็กลัวแกจะไล่กระเจิงออกมาแต่ยังไงก็เป็นเพื่อนบ้านกันเมื่อยายบุญเข้าไปดูสภาพที่เห็นคือยายแสงนอนโส ม, มาก เมื่อแกเห็นยายบุญแกก็ไม่ด่าแต่แกบอกว่าหิวน้ำเอาน้ำมาให้แกกินหน่อยยายบุญเลยไปตักน้ำมาให้กินเมื่อยายบุญเดินไปที่ครัวของยายแสงก็เห็นว่ามันมีของกินอยู่เต็มไปหมดมีทุกอย่างเลยหลังจากที่ยายบุญตักน้ำมาแล้วก็ค่อยๆพยุงยายแสงขึ้นเพื่อจะให้กินน้ำพอยายแสงกินเข้าไปได้อึกเดียวก็บ้วนทิ้งแล้วด่ายายบุญว่าเอาแกลบมาให้กิน ยายบุญก็งงเพราะในมือก็ถือขันน้ำอยู่แท้ๆทำไมถึงว่าเอากแกลบมาให้กินแล้วยายแสงก็ไล่ ย, ยายบุญออกจากบ้านแถมยังพูดอีกว่าอย่าขโมยของของกูนะมึงกูจับได้กูเอาตายแน่พอยายบุญได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากเลยพูดกลับไปว่าจะตายหาอยู่แล้วยังไม่เลิกหวงของเลยทำบุญบ้างเถอะยายแสงตายไปเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรกินหรอก ยายแสงตอบกลับทันทีว่าตายไปของกินกูก็มีเยอะแยะทำทำไมบุญทานทำไปก็ไม่ถึงกูหรอกพลาดหมดยายบุญโมโหเลยพูดไปว่าขี้กลากจะกินปากตายไปเดี๋ยวก็เป็นเปรดยายแสงก็ตอบกลับมาอีกเออกูไม่กลัวหรอกตายไปกูจะเป็นเปรตอยู่ที่วัดนั่นแหละคอยขวางพวกมึงออกไปจากนั้นยายบุญก็รีบบอกจากบ้านยายแสง มาที่บ้านยายของชมพู่และบ่นอีกว่าแม่ฉันละโมโหมันจริงๆอุตส่าห์เข้าไปดูมันแท้ๆคอยดูเถอะมันตายไปไม่ได้ผุดได้เกิดลรอหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ไม่มีใครเห็นยายแสงอีกเลยจนชาวบ้านสงสัยเลยไปดูที่บ้านแต่พอเข้าไปใกล้บริเวณบ้านกลิ่นเหม็นก็คลักคลุ้งเลยจึงพากันเข้าไปสำรวจในตัวบ้านก็ไม่เจอยายแสง แล้วก็เดินตามหากันทั่วบ้านจนไปเจอยายแสงนอนตายอยู่ในห้องครัวในสภาพที่น่าเวทนามากเมื่อชาวบ้านเห็นดังนั้น<ๆ>ก็รีบไปตามสปัปเหร่อมาเอาศพยายแสงไปทำพิธีเมื่อสัปเหร่อมาถึงก็ทำพิธีหลายขั้นตอนตอนที่มัดตราสังก็ปกติดีทุกอย่างแต่ตอนที่จะเคลื่อนศพออกจากบ้านมือที่มัดตราสังไว้ก็เกิดหลุดจึงได้ทาการมัดใหม่พอจะออกจากบ้านมันก็หลุดอีก เป็นอยู่แบบนี้ถึงสามครั้งจนสั ป, ปรเร์อ์เริ่มโมโหก็เลยบอกว่าให้ยังเป็นอย่างนี้อยู่จะเผาที่นี่แหละเผาทั้งบ้านมานี่แลหละพอพูดจบกลินก็มาทันทีจากที่เหม็นอยู่แล้วคราวนี้กลับเหม็นหนักกว่าเดิมอีกจนชาวบ้านที่ยกศพทนไม่ไหวต้องวางศพแล้ววิ่งออกไปอ้วกกันเลยทีเดียวสั ป, ปรเร์เลอรจึงไปนิมนต์หลวงพ่อที่วัดให้มาช่วยนำศพออกจากบ้าน หลวงพ่อมาถึงก็สวดอะไรสักอย่างแล้วพูดส่งท้ายว่าอาตมาช่วยได้แค่นี้นะโยมแสงต่อไปคงแล้วแต่เวณแต่กรรมที่สร้างมานะเมื่อไปถึงวัดก็จัดพิธีทําศพแบบตามมีตามเกิดเพราะสมบัติแกมีเยอะแต่ไม่เคยแบ่งปันให้ใครแล้วก็ไม่รู้ว่าแกเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเพราะให้คนในหมู่บ้านไปหาดูที่บ้านก็ไม่เจอของมีค่าอะไรเลย จนมาถึงวันเผาศพยายแสงก็ถูกเผาแบบเชิงตะกอนตอนที่ไฟกำลังไหม้ร่างยายแสงอยู่นั้นอยู่ดีๆชาวบ้านก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องซึ่งได้ยินกันทั้งหมู่บ้านขนาดยายของชมพู่นั่งอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปเผาศพยังได้ยินเลยมันเป็นเสียงกรีดร้องที่แหลมมากเหมือนกับทรมานเป็นอย่างมากและดังอยู่ประมาณ3ถึงครั้ง จากนั้นก็เงียบไปหลังจากเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอถึงตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงแบบนี้อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในบริเวณวัดจะได้ยินชัดมากทำให้ชาวบ้านต่างพากันกลัวเลยไปหาหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่านี่ละโยมผลกรรมของการทำไม่ดีคิดไม่ดีตอนนี้โยมแสงได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อแล้ว พอหลวงพ่อพูดขึ้นมาแบบนี้ชาวบ้านก็ยิ่งกลัวกันไปใหญ่เพราะปกติยายแสงแกก็เป็นคนที่น่ากลัวอยู่แล้วนี่ตายไปแล้วจะน่ากลัวขนาดไหนช่วงนั้นไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยจากปกติที่ชาวบ้านมักจะไปไร่ไปนากลับมืดมืดคำ่ำคำเดี๋ยวนี้พระอาทิตย์ยังไม่ทันตกดินก็กลับกันแล้วเพราะคืนหนึ่งเคยมีชาวบ้านคนหนึ่งไปนอนที่เถียงนา ซึ่งนาของเขาติดกับวัดและเถียงนาก็อยู่ไม่ไกลจากวัดมากนักระหว่างที่กำลังนอนอยู่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าแผ่นดินไหวเพราะมันสั่นสะเทือนมากเลยลืมตาดูก็เห็นเป็นขาเหียเห่ยวๆดำๆใหญ่ๆก้าวข้ามเถียงนาแล้วเดินไปทำให้ตาคนนั้นตกใจมากจึงพนมมือนั่งสวดมนต์เพราะคิดว่าเป็นผีมาหลอกแน่ๆสักพักเสียงนั้นก็เงียบไป แต่พอลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละก็เห็นใบหน้าใหญ่ดำเหี่ยวยน่นมีกลิ่นเหม็นเนา่ากำลังก้มลงมามองเขาอยู่ทำให้ตาคนนั้นสติแตกวิ่งกระเจิดกระเจิงร้องตะโกนลั่นวิ่งจากนาเข้ามาในหมู่บ้านเป็ดยายแสงเล่นกูแล้วเป็ดยายแสงหลอกกูแล้วระหว่างนี่ตาคนนั้นกำลังวิ่งอยู่ก็หันไปมองว่าเป็ดยายแสงจะตามมาไหม เขาเห็นยายแสงกําลังเดินเข้าไปในต้นตาลที่วัดเขาจึงวิ่งต่ออย่างไม่คิดชีวิตหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นยิ่งทําให้ชาวบ้านกลัวกันเข้าไปใหญ่ตาคนนั้นหลังจากถูกหลอกก็ป่วยไม่สบายจับไข้หัวโกรนไปเลยและมีอีกหลายหลายคนที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันคือเห็นผีเปรตยายแสงเดินหายเข้าไปในต้นตาลชาวบ้าน จะมีการนำเครื่องเซนไวไปไหวต้นตาลต้นนั้นพอเวลาผ่านไปเรื่องของเป็ดยายแสงก็เริ่มซาลงจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันอาสาฬหาบูชาทุกคนก็ไปเวียนเทียนที่วัดกันตามปกติเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ 17-18 ถึงปีมาจากกรุงเทพแม่ของชมพู่ได้ยินเขาพูดกับเพื่อนในหมู่บ้านว่าเฮ้ยพวกเองอยากจะเจอเป็ดไหม ข้ามีวิธีแล้วเขาก็เอาเข้าวต้มมัดออกจากถุงเอามาผูกเชือกมัดไว้ที่เอวแล้วพูดตอบว่าข้ารู้มาว่าถ้าเราทำแบบนี้และ ว, วิ่งรอบโบสถ์สวนทางกับคนกําลังเวียนเทียนเราก็จะเห็นผีเปรตมันจะมาเอาเข้าวต้มเราฮ่ฮฮพวกเองอยากเห็นไหมไวัยรุ่นทุกคนในหมู่บ้านตั้งเคยได้ยินประวัติของผีเปรตที่วัดแห่งนี้มาทั้งนั้นเลยไม่มีใครกล้า แต่เด็กผู้ชายคนนั้นก็ไม่หยุดแล้วยังพูดขึ้นมาอีกว่าโหยไอ้พวกปอดแหกข้าจะทำให้ดูระหว่างที่แม่กับยายและชาวบ้านกำลังเวียนเทียนกันอยู่เด็กผู้ชายคนนี้ก็วิ่งรอบโบสถ์โดยวิ่งสวนทางกับชาวบ้านสักพักหนึ่งก็ได้ยินคนร้องเสียงหลงและวิ่งรอบวัดเหมือนกับหาทางออกไม่เจอวิ่งวนอยู่อย่างนั้นชาวบ้านก็พากันวิ่งไปจับตัว เพื่อจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจับตัวเขาไว้ได้แล้วสิ่งที่ได้ยินจากปากของเขานั้นก็มีแค่คำพูดประโยคเดียวเท่านั้นกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วแม่กับยายหันมามองหน้ากันแล้วก็เดินกลับบ้านไปเลยรุ่งเชา้าก็ไปทำบุญที่วัดกันตามปกติในสลาของวัดชาวบ้านก็พูดถึงเรื่องเมื่อคืนกันไม่หยุดปาก ยายของเด็กผู้ชายคนนั้นเล่าให้ฟังว่าหลานฉันหลังจากที่วิ่งเสร็จมันก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าโบสแล้วมันก็เห็นคนตัวสูงใหญ่ก้มหน้าลงมาส่งเสียงร้องวีธใส่หน้ามันมันตกใจก็วิ่งหนีแต่วิ่งไปทางไหนก็เจอคนตัวสูงใหญ่ก้มหน้ามาหาแล้วร้องวีธใส่ตลอดแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นก็เหมือนคนเสียสติไปเลยจะหวาดระแวงทุกครั้งเวลาเดินผ่านวัด หลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครกล้าลองดีเลยส่วนบ้านของยายแสงก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะเพียงแค่เดินผ่านกลิ่นเหม็นมันก็คกลากรุงไปหมดปัจจุบันบ้านยายแสงก็ยังคงมีอยู่เป็นบ้านไม้ที่สภาพเก่าไปตามกาลเวลามีป่ารกทึบขึ้นปกคลุมแทบมองไม่เห็นตัวบ้านบ้านหลังนี้จะอยู่ท้ายหมู่บ้านของชมพู่แต่มีทางลึกเข้าไปอีก มีคนสัญจรผ่านไปมาตามปกติเพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วเลยไม่มีคนคิดอะไรวัดก็ถูกบูรณะมาเรื่อยๆและต้นตาลต้นนั้นที่เป็นที่อยู่ของเปรตยายแสงก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงชมพู่ยังคงเชื่อว่าผีเปรตยายแสงก็ยังคงชดใช้เวรกรรมอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนดังที่แกเคยพูดไว้ว่ากูไม่กลัวหรอก ตายไปกุญจะเป็นเป็ดอยู่ที่วัดนั่นแหละคอยขวางคุกมึง ส, มสัมผัสยอง